การที่สมองเราเนี่ยได้รับหลากหลายหรือหลายเรื่องโดยที่ไม่ปฏิปะต่อกันเนี่ยบางคนก็สับสนวุ่นวายเหมือนกันมนุษย์นะเป็นเรื่องปกติที่ว่ามีเรื่องหลากหลายํำนานมากในเรื่องของโลกภายนอก เหมือนพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันเมชีก็อยากรู้รับลดโลกภายนอกส่วนโลกภายนอกก็อยากรับรู้ว่าการบวชนะการปฏิบัตนะิก็มาเจอพระคุณเจ้าเนี่ยก็ได้ได้รับลดในสิ่งที่ดีดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักปฏิบัติต้องรู้นะวันนี้จะ มาแก้ไขให้เราได้เข้าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึง่งการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจสภาว ะ, ะความแวดสิ่งแวดล้อมในตัวของเราด้วยเมื่อเรามาใหม่ๆเราขึ้นมาบนเขาเรารู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยสภาวะ ความรู้สึกของเรานั่นเองมองเห็นว่าโอ้มันสวยสดที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์มันได้นะนั่นก็อีกอารมณ์หนึง่งเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมก็พูดถึงเราได้มาเจอเจอคนที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบางจิตมันก็เสพเข้าไปอีกอย่างหนึง่ง เจอคนรู้จักก็จะเติมบรรยายสบายดีไหมคิดถึงเนี่ยทำไมไดมาก็ไม่ได้เจอยุ่งเหลือเกินนี่อีกสภาวะหนึ่งสภาวะที่สามก็หมายถึงว่าเรื่องที่อยู่อาศัยเราจะอยู่ตรงไหนดีอะไรดีเนี่ยเพราะนั้นมันเก็บความรู้สึกใหม่ๆมันรู้สึก ใจมันพองนะมันลืมบ้านลืมสามีลืมภรรยาลืมลูกลูกนะลืมสมบัติลืมสิ่งที่มันวุ่นวายในชีวิตไปในระยะเดียวเท่านั้นส่วนที่สี่เข้ามาก็เราจะนั่งตรงไหนเราจะปฏิบัตริตรงไหนดูว่าหังหรือเกินตรงนี้อะไรเงี้ยก็แย่งกันบัางอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติ อย่าเคร่งเครียดนะค่อยๆตามค่อยๆฟังไปถ้าเราเคร่งเครียดเนี่ยมันจะกดดันโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเหมือนกับโลกภายนอกเขาบอกว่าเครียดไม่รู้ตัวนะพออย่างที่ห้าเนี่ยก็เข้ามาว่าอาหารการกินยังไงก็ด้วยความสงสัยด้วยความสนุกสนานด้วยความ อยากรู้อยากเห็นของคนของมนุษย์ทั่วๆไปในปุตุชนคนปกติพอเราเห็นที่อยู่ที่กินก็เริ่มจะกินนู้นอยากกินนี่มาใหม่ๆก็หิวโหวยไปหมดพออยู่ไปอยู่ไปก็ติดรสติดชาติว่าวันนี้มีอาหารหลากหลายให้เราเลือกพอกินมากเนี่ยเราก็ต้องหาห้องน้ำท่ายหนักท่ายเบา นะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าในสิ่งที่เราเข้ามาเนี่ยแล้วในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เสพสิ่งต่างๆได้ทางหูทางตาทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่านิวรณ์ทางห้านี้ยังไม่ได้เข้าวิปัสสนานะนะคือเราบอกก่อนว่าสาเหตุที่นักปฏิบัติที่ ปฏิบัติเหมือนคนที่ออกกำลังกายร่างกายเรายังไม่พร้อมเราไม่ได้วอร์มมาก่อนแต่นี่ก็วอร์มให้เห็นว่าอนอที่เราเข้ามาเนี่ยเหตุและปัจจัยจากหูตาจมูกลิ้นการใจเนี่ยมันเข้ามาในสมองเรามันอยู่ในใจเรา เ, <c oughs> เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ย มีความละเอียดรอบครอบหรือเปล่าปล่อยปะละเลยจิตใจด้วยของคนธรรมดาและปกติส่วนพระคุณเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในป่าก็จะต้องตัดหญ้านนทำโน่นทำนี่ที่จะต้องรองรับญาติโยมห้องน้ำห้องท่าจะต้องเป็นเหมือนขี้ข่าพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นฟ้าก็ต้องคิดไปอีกแบบหนึง่ง ที่บอกในหมายถึงว่าเพื่อจะให้จิตใจเราค่อยๆ ค, ค, คิดตามมาเออหลวงพอ่อท่านก็ละเอียดเนาะท่านมาในท่านแค่สองวันท่านก็บอกเราว่าเออมันก็เรื่องจริงนะเราจองกันตรงปากกล้วยก็มีปัญหาเยอะเพราะคุณเจ้าไม่ยอมเสียสละปลูกตรงร่มเย็นเป็นสุกนะตามป่าตารกแดดแดดก็ให้ญาติโยมนะ ก็ก็เป็นเรื่องของความคิดนะการปรุงแต่งนั่นเองจากพระคุณเจ้าหลายๆองค์ที่ที่ขึ้นมาแล้วก็มาปฏิบัติรวมกันอยู่ในเนี้ยจริงๆธรรมะเนี่ยมันเกิดจากจากการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันได้เห็นได้รู้แต่ว่าใครจะคิดละเอียดกว่ากัน แต่ต้องคิดบวกนะในแง่บวกถ้าเราคิดแง่ลบขึ้นมามันก็ไม่มีความสุขพอขึ้นมาเนี่ยก็เจอหลวงพ่อแต่ละวัดแต่ละที่ท่านก็จะบรรยายก็พยายามที่จะให้บรรดาญาติโยมที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยได้มีความสุขได้มีการป ฏ, ปฏิบัติ จะได้มีบุญกุศลติดตัวไปเยอะๆแต่เราองค์ก็มีธรรมะที่แตกต่างมีวราจิตที่แตกต่างกันไปเมื่อเราฟังองค์นี้มันก็ได้อีกเรื่องหนึ่งฟังอีกองค์หนึ่งก็ได้อีกเรื่องหนึ่งฟังหลวงพี่อ้วนที่ว่าฉันหมากปากแดงๆอ้วนๆนะก็อีกได้อีกวาระหนึ่ง ฟังหลวงพี่มาหาก็ได้อีกวาระหนึ่งเพราะนั้นเมื่อสมัยผมเป็นพระนะอยู่ที่นี่ก็สอนแบบนี้แหละแต่มันจะสอนตอนเรื่ององค์อื่นๆก็ไม่ค่อยได้ได้เทศได้ได้บรรยายธรรมนี่เล่าให้ฟังให้พวกเราในผ่อนคลายก่อน เมื่อใจเราผ่อนคลายแล้วได้รับธรรมะหลากหลายเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งที่หลวงพ่อที่ผมพูดเมื่อกี้นี้จะเป็นอย่างเป็นหลวงพ่ออีกแล้วที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็หลากหลายหลายเรื่องเราเนี่ยเครียดโดยไม่รู้ตัวหมายถึงเดินสายตึงและไม่ใช่สายกลางการปฏิบัติของทุกคนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า ใหม่ๆ ม, มันก็จะปวดเมื่อยนะวันถัดๆมาก็จะรู้สึกว่าง่วงเหงาเหานอนแล้ววันต่อมาต่อมาเนี่ยก็เริ่มจะนิ่งแหละหลังจากวันที่สี่คนที่มาใหม่ๆก็มีอาการแตกต่างกันไปแต่การนิ่งเนี่ยทำไมเรานั่งแล้วทำไมเราเหมือน เหมือนไม่ได้สมาธินะเราเนี่ยนั่งไปก็นั่งไปเราก็พุโทโธนะทำไมเรารู้สึกว่าสมาธิเราไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ลุดหน้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในในคำสั่งสอนว่ามีวัจจิก ร, รมมโนกรรมแล้วก็กายกรรม นักปฏิบัติเนี่ยจะ ต, ต้องผ่านจากมโนกรรมก่อนมโนก็คือการคิดฟุ้งซ่านนะเรียกว่าวิกิจกจิตฉาลังเลสงสัยไปทั้งหมดอันนี้ยังไม่ได้เข้าวิปัสสนานะเพราะนั้นมีมโนกรรมจิตคิดฟุ้งซ่านตั้งแต่เข้ามาอย่างที่บอกว่าจีก็หมายถึงว่าก็พูดกันไปกินกันไป เอาสัตว์นรกเข้าไปในใจเข้าไปในปากในตัวหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันอยู่ในอบายภูมิเรียกว่าสัตว์นรกสัตว์นกรกพวกนี้นี่ก็ไปจากมนุษย์นี่แหละทําความดีที่อยู่บนบกไม่ได้ร่างกายเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็เลยเกิดมาเป็นรูปนามแห่งแห่งกรรมนะเรียกรูปนามแห่งกรรม รูปธรรมนามธรรมนั่นแหละรูปธรรมนามธรรมก็หมายถึงว่าสัตว์ไก่มันเป็นแบบนี้วัวมันเป็นแบบนี้ลักษณะของมันเรียกว่าสัตว์นรกมนุษย์ก็นึกว่านรกเนี่ยมันต้องมีขุมมีไฟกอกน้ำร้อนนะอย่างนั้นมนุษย์ก็กอกน้ำร้อนใส่ปากมาเช้านี้ก็คง ลงนรกกันไปเยอะกาแฟน้ําชาเลยกันไปเยอะนะจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยที่คนโบราณหรือคณาจารย์ในสมัยก่อนๆได้อุปมาอุปไมยให้เราได้เห็นว่าคนเนี่ยมันเกิดมาเป็นต่างกรรมต่างวาระนะ เมื่อมีต่างกรรมต่างวละแล้วก็คือต่างการเป็นอยู่นั่นเองวงตระกูลนะการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็มาต่างกรรมต่างวละบางคนก็มีการศึกษาสูงบ้างขนาดกลางบ้างขนาดต่ำบางคนก็ไม่รู้เลยแต่สัตว์โลกทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมแมลงหรือสัตว์เนี่ยก็ย่อมอยู่ร่วมกันได้เพราะอาศัยโลกใบเดียวกัน เมื่อพระพุทธเจ้าได้เห็นได้รู้เนี่ยท่านก็เปรียบจะไปบอกว่าเมชีอง์นี้มาจากตระกูลไม่ค่อยดีมีอาชีพไม่มั่นคงเหมือนกับพวกเราที่มานั่งอยู่เนี่ยบางคนก็ไม่มีการศึกษาบางคนก็มีมีพ่อมีแม่บางคนก็ไม่มีบ้านมีช่องนะแต่มัน พระพุทธเจ้าจะบอกตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนดูถูกดูแคนกันขยับได้นะขยับได้ใครเมื่อยก็ขยับได้ผมมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะนะการที่เราจะพูดคุยกันการที่เราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องดูนิสัยซึ่งกันและกันเหมือนการที่เราจะทำวิปัสสนาเนี่ย เราก็จะต้องศึกษานะอะไรบ้างนะเราก็ต้องศึกษากายกับจิตเท่านั้นเองมีสองอย่างเรื่องของพระถ้ามนุษย์ก็เรียกว่าดีกับชั่วเท่านั้นเองมีสองอย่างถ้าเกิดการภาวนาก็มีแต่พุทธกับโทเท่านั้นเองดีกับดีนะเมื่อเขาให้เราภาวนาพุทธโธเนี่ย พุทแปลว่าผู้รู้โทแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานหายใจเข้าก็รู้ตัวหายใจออกก็เบิกบานชื่นบานเพราะว่าเรามีสติรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าโลกภายนอกก็วัดกันที่ความดีความชั่วคุดโตสองอย่างนี้เราก็ภาวนาไม่หวัดไหวบางทีบางคนถึงก็จาไม่ได้ว่า ห้ใจเข้าไปเท่าไรออกไปเท่าไรนี่เป็นการที่ทำให้เราในมีสติมีความรู้ตัวนะเมื่อเรามีความรู้ตัวเนี่ยมาก่อนนี้เราเป็นคนที่ไม่รู้ตัวมาเลยอยู่โรคภายนอกเหมือนผมก็อยู่โรคภายนอกได้เจอเจอคนหลากหลายทั้งเศรษฐีข้ามดีข้าราชการให ญ, ใหญ่ทานอาหารร้านนั้นโรงแรมนี้ นั่งรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไปตรงนั้นตรงนี้ผมก็พิจารณาของผมนะแต่ใครไม่รู้ล่ะ ว, ว่าบางทีผมก็ไปทำบุญที่วัดทุกเกือบจะทุกวันพระนะพระท่านก็นเทศสอนบ้างอะไรบ้างแกก็ไม่รู้ว่าเราก็เกจิเก่าบางทีแกก็ถวายความรู้ให้กับญาติโยมก็ด้วยตามสัพยะตาม ตามบารมีของปัญญาพอเราเคยมาปฏิบตัติพอเขาพูดอะไรเราก็รู้นะรู้เท่ารู้ทันการทำวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้เท่ารู้ทันของวาละของกายกับจิตนะก็พื้นฐานก็มาจากสติสติก็คือความรู้ตัวความระลึกได้เมืนะ่อเรามีสติแล้วมีปัญญาคิด เราไม่ต้องคิดเลยเรานั่งเฉยๆในขณะนี้มีคนมาบอกความคิดบอกปัญญาเราเรียกว่าวิปัสนาเรายังไม่รู้เลยว่านักปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำอย่างไรอันดับต้นเราก็ต้องนึกถึงของสมถะสมถะวิปัสนาเนี่ยก็คือการพิจารณากายในกายก็คือในการจับจุดหนึ่งจุดใดในของร่างกายก็คืออาการหายใจนั่นเอง พุโทโธพุธโทโธเพราะนั้นคนเก่าเก่าที่ปฏิบัติแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีความรู้ที่ผมเคยบอกไว้ mm hmm. เมื่อเข้าสู่สภาวะของสมถะ mm hmm. วิปัสสนาก็คือปัญญานะ mm hmm. การรู้เท่าทันอารมณ์ของจิตเพราะ mm hmm. นั้นมนุษย์ไม่มีอะไรมากมีจิต มีกายเขาเรียกว่าจิตวิญญาณก็คือหัวใจเรานั่นแหละเมื่อมีหัวใจมันก็ทํางานแต่เราไม่เคยคิดถึงเรามองแต่ให้คนอื่นเห็นใจเรารู้ใจเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราต้องรู้เหตุและผลการวิเคราะห์ของโลกภายนอกเขาเรียกว่าวิเคราะห์ทําการวิเคราะห์เรื่องนั้นๆให้เห็นเป็นแก่นแท้ ว, ว่า แท้จริงมันคืออะไรการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนะการวิเครานะห์ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วหายสงสัยหรือเปล่านี่คือนักปฏิบัติแต่คนที่มีสติปัญญาเนี่ยบางวันเราลองสังเกตอารมณ์เราว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยไม่เคยเป็นอารมณ์แบบอย่างเดียว มันแปรปวนตามสภาวะหูตาที่เรามองเห็นหูได้ยินการงานที่ทำปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทำให้เราเครียดทำให้เรากดดันแต่พอมาที่นี่เนี่ยเรารู้สึกเบาใจสบายใจแต่เราไม่รู้เลยว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยควรจะต้องแยกแยะวิเคราะห์ออกมาอย่างไรบ้าง เราตึงเครียดนะทางกายทางใจตอนนี้สมองเราเคยคิดแต่เรื่องความโรธโกรธหลงแต่ตอนนี้เรามาคิดในเรื่องของธรรมะนะอะอะขะขะนะหลวงพ่อแต่และองค์ก็บรรยายแตกต่างกันไปเราก็รับหลายๆอย่างก็เหมือนกับจิตของเราในโคโจรรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่แตกต่างจาก จากโลกภายนอกเท่าไรแต่มันเป็นโลกของธรรมะร่างกายเราเคยเดินไปนั่นไปนี่นะปฏิบัติทำโน่นทํางานแต่กลับมานั่งเฉยๆมากินเฉยๆกินฟรีอยู่ฟรีนั่งเฉยๆมันทรมานจิตใจแล้วก็พอนั่งเฉยๆก็ทรมานร่างกายสังขารเรียกว่ามันเป็นทุกขเวทานานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมค่อยๆบอกไปจนทุกคนเหลือเกิดความเข้าใจผ่อนคลายลงไปมากพอเปลี่ยนจากอารมณ์ที่เข้าใจขึ้นตอนนี้ก็จะเข้าสู่การทำสมาธินะการทำสมาธินะเมื่อเรานั่งแล้วเป็นแล้วนะพระคุณเจ้าคงบอกแล้วลองหายใจลึกๆเข้าไปในท้องเนี่ยให้มันแห้งเลย แล้วค่อยๆคายออกมาสูดหายใจไม่ใช่สูรแล้วหายท้องไปนะค่อยค่อแบบดึงเข้าไปอย่างเงี้ยให้ท้องมันแห้งลงแล้วก็ให้รู้ว่ามันแห้งแล้วค่อยค่อยปล่อยลมหายใจออกมาสักสองสามครั้งทำไมให้ทำแบบนี้เราก็พอทำแบบนี้เนี่ยพอร่างกายเราจิต มันขึ้นสภาวะของสมาธิการหายใจเราจะติดติดขัดขัดรู้สึกเละลวนเพราะว่าลมหยาบมันมันอยู่ในท้องนะพลังเนี่ยมันอยู่ในท้องนะไม่ใช่อยู่ในปอดคนผ่าตัดท้องเนี่ยไม่มีเลี่ยวมีแรงเพราะว่ากำลังมันอยู่ที่ลมในท้องนะเมื่อลมในท้องมันแห้งเหมือนเราซักเสื้อผ้าให้สะอาดใช่ไมก็มันก็คือสะอาด เมื่อสูดลมหายใจสามครั้งเขาแล้วก็ตั้งมั่นก็คือมองเห็นตัวเองก่อนในขณะนี้เมื่อเรามองเห็นตัวเองแล้วก็จับตรงไหนกายกรรมกรรม ท, ที่มันรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์รับรู้ทุกอย่างก็คือใจที่เรียกว่าจิตวิญญาณก็จับมันที่หัวใจเรานี่แหละจับแล้ว เราก็อยากจะให้จิตใจเราแช่มชื่นนะเบิกบานก็ยิ้มไว้ในใจนั่งแล้วก็ยิ้มให้กับใจตัวเองมองเห็นใจตัวเองตัวยิ้มตัวเนี้ยมันทำให้จิตที่แข็งกระด้างเนี่ยทำให้อ่อนแล้วก็ทำให้สบายขึ้นแล้วมันจะรู้สึกเย็นมใน ใ, ใจนะอย่าหลงมันละ เมื่อเราเห็นใจตัวเองเนะี่ยมองเห็นใจตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นมาเห็นใจเราตอนนี้เราเห็นใจตัวเองเนี่ยรู้สึกยิ้มครับแวะตัวยิ้มเนี่ยแต่ตัวตัดตัวหยาบทั้งหมดก็คือตัวเมตตานั่นเองเมื่อเรายิ้มแล้วก็นึกถึงใจเนี่ยเป็นแสงขาวเนี่ยเราได้กระสินด้วยสีขาวเหมือนเหมือนดวงไฟหรือพระจันทร์ก็ได้ เราก็เห็นใจเราเนี่ยใสยเหมือนน้ําน้ําค้างติดยอดหญ้าน้ําที่ใสสะอาดเป็นวาวแวบเหมือนอย่างที่เองอยากได้เพชรได้พล อ, อยก น, นั่นแหละเมื่อยิ้มไว้ในใจเนี่ยตัวหยาบก้านในใจเนี่ยมันจะอ่อนร้ารงนะเรียกว่าวิปัสสนากับสมถะควบคู่กันไปละเมื่อเราเห็นใจเราแล้วยิ้มเข้าไว้เนี่ย มอเห็นใจปุ๊บเราก็คิดเลยว่าโอ้นอความหนักใจทุกใจเนี่ยมันเกิดจากทางนีบอนทาง5ก็คือทางหูทางตาทางลิ้นนะทางกายทางใจเนี่ยมนุษย์ก็ได้แค่แต่ความสมมุติมันสมมุติทั้งนั้นความโกรธความเกลียดความชังการชอบไม่ช อ, ชอบชอบใจไม่ชอบใจมันก็สมมุติทั้งนั้น ถ้าเราไปสนใจแล้วเอามาใส่ใจตอนนี้เราไม่ใส่ใจแล้วใครก็ทั้งนั้นเรามาใส่ใจตัวเองก็หมายถึงว่ายิ้มให้กับตัวเองนะเราเนี่ยเป็นนักเป็นแชมป์ในการปรุงแต่งอยากสวยอยากหล่ออยากงามอยากมีทรัพย์สมบัติอยากล่ำอยากรวยตอนนี้เรามาเททิ้งไป มองเห็นว่าโอ้ถ้าใจสลายมันก็ต้องตายนี่ว่ามองเห็นความตายในตัวเองมองอยู่ในยมองนึกถึงหน้าตัวเองก่อนเมื่อเรามองเห็นตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นใจตัวเองแล้วก็มองเห็นหน้าตัวเองนึกถึงหน้าตัวเองนึกได้ไหมผมเชื่อไว้ว่าทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยนึกถึงหน้าตัวเองไม่ออก ต้องอาศัยกระจกนะอาศัยกระจกสะท้อนเหมือนคนโบราณบอกว่าตักน้ำให้ชะงกดูเงาจะได้เห็นหน้าตัวเองสแสดงว่านักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่เคยเห็นกันตัวเองเลยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทั้งนั้นก็คือโลภมากอยากได้นั่นเอง แต่พอมาเห็นแก่นแท้นะก็คือใจเนี่ยนะเขาเรียกว่าจิตกับกายเราต้องพิจารณาร่วมกันวันนี้เราไม่ต้องคิดเลยมีผมบอกเนี่ยโอ้สบายไปแปดอย่างทำได้ไหมละ่ะทำได้ก็ได้ไปทำไม่ได้ก็ต้องพยายามทำนะมองเห็นใจเสร็จก็มองเห็นตัว เมื่อมองเห็นตัวว่าโอเน อ, อ, อเกิดมาแล้วก็ใหญ่แค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยเอาเพชรพลอยมาห้อยหูใส่นิ้วใส่ปากทาปากทาคิ้วท้ายสุดเราก็แก่ท้ายสุดเราก็จะต้องตายไม่มีใครเอาทรัพย์สมบัติอะไรไปได้แม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ ทำไมเราคิดไม่ได้เนาะเกิดมาทำไมเหมือนกับหลวงพอ่อการบอกนะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้เนี่ยให้รู้ใจตัวเองไว้เขาบอกว่าการชนะอะไรเนี่ยมันชนะได้หรือเหมือนได้แชมป์ได้ใบประกาศแต่การชนะความชั่วในใจเราเนี่ยโอ้มันยากมากมันค่อยคอ ย, คอยผุดมานะมันค่อยค่อยผุดค่อยโผล่มา ทีละเล็กทีละน้อยพอมาพอมาผมก็ยังประพฤติปฏิบัติยังเจริญภาวนาของผมตลอดเวลาเมื่อนึกได้แต่ตอนเย็นเนี่ยผมก็จะปฏิบัติเกือบทุกวันอย่างในน้อยก็ชั่วโมงหนึ่งผมจะนั่งเหมือนพวกเรานั่งอยู่เนี่ยเมื่อนั่งแล้วเห็นใจตัวเองเห็นกายตัวเองแล้วว่ากายกับจิตเนี่ย มันอยู่กันคนละตัวแต่มันเป็นเพื่อนซี้กันไอ้กายหิวขึ้นมาจิตปรุงแต่งเลยโอ้ยน้ำลงน้ำลายไหลนะไอ้กายปดอึปดหนักปวดเบาไอ้จิตนี่มันทรมานทนไม่ได้นึกเลยแวบไปที่ห้องน้ําเลยนะเขาเรียกว่าจิตวิญญาณกับกายวิญญาณสองสิ่งนี้มันเป็นของที่ฝึกคู่กันมามันมีญาณมี ยานก็คือความยังรู้ซึ่งกันละกันเราไม่เคยแยกไม่เคยแยกมันระหว่างกายกับจิตเฮ้ยมันจะบ้าเหรอแยกกันยังไงถ้าแยกร่างแยกจิตวิญญาณกับร่างก็ต้องตายสิท้ายสุดมันก็ต้องแยกกันอยู่แล้วปัจจุบันมันอยู่ร่วมกันเนี่ยมันทามันใช้เป็นธาตุซึ่งกันละกัน นักปฏิบัติเนี่ยไม่มีรู้สึกว่าแยกแยะระหว่างกายกับจิตได้ก็คือสมถะก็คือการพิจารณาร่างกายนั่นเองวิปัสสนาก็คือปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมีสองอย่างไม่มีอะไรมากเลยแยกอารมณ์ที่เป็นกุศลกับอกุศลนะไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ย ไม่รู้ว่ากำลังตึงเครียดทีเดียววันนี้ผมไม่เอามากผมเป็นคนสอนคนไม่ได้สอนมากอาค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆลืมตาเอาแค่นี้แหละจะได้ไปขี่ไปเยี่ยวไปกินให้หนําตามกิเลสที่เราคิดเพราะว่าบางคนก็มีปัญญามีความขันติอดทนน้อย นั่งประมาณทักสามนาทีจิตก็ฟุ้งซ่านแล้วต้องค่อยๆประหลอกนะเพราะเราเราได้รับจากครูบาอาจารย์มาเยอะมากแนละ้วมาเจอกับลุงพ่อเข้าไปเองเเจอกับผมเนี่ยผมก็ยัดเยียดเข้าไปอีกมันไม่ไหวนะพอท่านผ่อนคลายแล้วเนี่ยจะรู้สึกสบายไหมตอนนี้ไม่หนักเกินไปไม่ยากเกินไปไม่แต่ทำไมหน้าใสากิ๊กเลยตอนนี้ นะไม่เหมือนกันนั่งเป็นชั่วโมงบิดทรายบิดฝาทั้งขี้ทั้งเยี่ยวมากันหมดหิวก็หิวแต่ที่นี้กำลังต้อนนะกำลังต้อนเพื่อจะให้เข้ารอบนะนะเดี๋ยวติดรอบติดใสมึงจะหนาวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์นะ เพราะนั้นค่อยๆต้อนพวกนี้ก็จะสอนให้ลึกลงไปอีกว่าการปฏิบัติเนี่ยเอาลองดูสินหน้าใสกิ๊กเลยเนี่ยขาวเพราะพื้นฐานมาหลายวันแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าเราตึงเครียดแบบไหนอ้ก็นึกว่าไหนอดีตเจ้า ว, วาเกจิอาจารย์ต้องสอนวิเศษเหาะเหินเดินอากาศได้กูว่ากูจะเหาะหนีมึงอยู่แล้วนะกูขาก็ไม่ดีก็ลากกันขึ้นมาก็เอาเอ า, เอาบุญสักหน่อยหนึ่ง เมื่อวันนี้อารมณ์ดีสบายใจนะไม่ตึงเครียดบางคนยังนึกในใจคุณนึกว่ามันจะบ้านน้ำลายอีกูกแย่นะซ้อมกูอะนะพอมาถึงตอนนี้โอ้โหสบายฝึกกะบลุงพ่อแกสบายไว้เฮยสอนแป๊บเดียวเลิกเดี๋ยวกูจะได้กินแหละนะจะได้ขี้ได้เยี่ยวแหละนะเพราะนั้นเราจะทำอะไรโดยที่บากบันบังคับกายใจเกินไปเนี่ย เราจะเครียดซะเองนะเราจะไม่สบายใจตึงนะเส้นขานี่ตึงหมดตื่นก็ไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้แต่ก็ทดแทนกันสิตื่นเช้ามาก็มาทำอาหารให้เรามึงคิดอย่างกูหรือเปล่าเช้ามาไม่ได้หุงข้าวเดี๋ยวก็แดกแล้วแดกเสร็จขี้ไว้อีกบางคนไม่โกอ ไอคนที่ดูห้องน้ำโ้โหขี้มันยังไม่มีปัญญาโกกด่ามัง่งแช่งมั่งกรโกกกันไปก็อยู่ร่วมกันเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันมันไม่ได้ยากแต่ถ้าเรายุบหนอพองหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอตดแปดมึงจะภาวนายัางไงเนี่ยเออโอ้ยตดหนอเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อก็ยังดีมีสติรู้ว่าตด และถ้าเกิดที่มันออกมาด้วยนะออกทั้งลมทั้งขี้เนอรวมเลยหนอะไรไหมนกูกำลังคายให้พวกมึงนะผ่อนผ่อนให้อย่าให้มันแบบดันทุรีังเกินไปเพราะนั้นคนที่เขามีสติมีปัญญา สติคือความรู้ตัวว่าเออเนี่ยมันถึงจุดจุดนี้แล้วควรจะผ่อนให้เขานะควรจะค่อยๆกับเขาค่อยพูดค่อยจ่าค่อยปลาะค่อยทําหาวิธีนะพอพรุ่งนี้มาปุ๊บเราบอกเลยให้เข้าสู่ภาวะยังไงนั่งปุ๊บก็เข้าสมาธิพอถึงสมาธิปุ๊บเราก็จะบอกเลยว่า อารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงสมาธิอาการที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะพอเรารู้เย่ยพอเข้าเหตุรู้ผลอย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหมันไปแล้วมันลืมลืมปวดลืมเมื่อยมันอยากฟังมันอยากรู้มันอยากปฏิบัติโอ้ยเมื่อวานกูนั่งดีมากนะเมื่อกี้กาลังนั่งดีเลยบางคนก็กาลังง่วงกาลังจะหลับอยู่พอดีเลิกซะและ นก็หักหลังมึงซะแต่ก็ความดีก็มีเดี๋ยวได้กินแหละฮะเฮ้อนี้เหลือเวลานียยังไม่เช้าอีกเขาเนี่ ย, อยตอนกินจะเงียบกิ๊บเลยช่วงนั้นยานกำลังเดินนะชาญกำลังกรอบโกยอยู่กรอบกู้นะพอกินเสร็จเริ่มอิ่มก็เริ่มบอกอร่อยั้มมึงอร่อยั้ย แต่กูเห็นชาช้อนแรกนี่จ้วงจุบปึ๊บปึ๊บป๊บพอกินเสร็จบอกห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดวะก็มึงขี้เองมึงมาบ่นอะไรกับใครอยู่กันเองขี้กันเองก็มาบน่นนี่คือมนุษย์นะเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจการอยู่ร่วมเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ทรมานกายทรมานจิตบางคนเนี่ยโหถึงกั บุกหนเลยกากิงกิงกงกๆตูดกระดกขึ้นมาแต่หัวยังฟุบอยู่แมงเอ้ทำไมเช้าไวจังวะก็มึงเสือกนอนดึกละอีเทียสนทนาธรรมกันโอ้ยขังกูเดียวกูไปต่ออีกหน่อยเนี่ยวกูนั่งนะเห็นโน่นนี่วูบวาบคุยกันกูว่าวัดนั้นก็เจ๋งนะแต่วัดนี้ดีอย่างเดียวคืออาหารว่างอันอีกเออ <c oughs> กูได้ยินนะเใช่ว่าไม่ได้ยินแลว้วมันยังมีนินทาพระโอ้ยพระเทศดดุดันแม่งไอ้วนนะพระอ้วนอ้วนนะว่ากัา น, อนอเออว่ามันมันก็มีหลากหลายอารมณ์นะรู้พี่นะอย่าว่าผมนะเอเห็นว่าไฟช็อตยังไม่ตายเลยว่ากันกระดาษไขมันไฟสะท้อนกลับเลยว่างัน เออมันมีหลากหลายนะเนี่ยมันก็ผ่อนคลายอารมณ์ดีดูหน้าตาสดใสว่าใจดีมันก็สดใสเหมือนคุณแจ๊กกะว่าวันนี้สําเร็จวันนี้นันง่งนั่งอยู่หลับตาหันแบงยี่สิบมับแปบบว่ากูมองอยู่เรื่อการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์มันไวมากแต่ถ้าเรามีสติรู้ว่าเออมันก็จริงนะที่แกพูดเข้ามาบรรยากาศจากที่เราอยู่ ที่บ้านกับที่นี่มันเปลี่ยนเลยนะอารมณ์พอมาเจอคนที่ถูกใจโอ้ยคุยกันหัวฟัดหัวเฟี้ยนคุยมากมากใบบ่ายา ย, ยักชิ่งแหละแม่งรู้มากไอสัตว์ด่ากันเออกูเดินไปตรงนี้นไอ่ีกูจะไปเยี่ยวน่อยกูเป็นสัตว์ไปแล้ว อ, อ, อยู่ในห้องน้ำมันยังตะโกนมึงทำไรคุย อ, อ่อกูก็รักจับกระจุเยี่ยวอยู่เห็นยังไงไว้เนี่ย ตกอกตกใจหมดเอยนะมันคุยข้ามห้องน้ำก็มีนะลากล้ายางที่เดินมามันเรียกไม่ได้แงะมาลูกพ่อโอ้โหตะโกนตะคอกใส่กูก็บอกโขขากูก็เจ็บจ้ามึงบังคับให้กูมองมันอ่ะอผมยังนึกสนามไว้ที่นี่สนามลบไว้เออ กูก็จะก้าวขึ้นกระไดกลัวขาจะหักเข้าไปอีกออมันเรียกสามสี่คนกักมือด้วยเรียกเรียกไม่ได้ทำกูก็กกลังยะมองลาวจับขึ้นไปเราไม่มองหน้ามันตะคอกเลยลุงพ่ อ, อกูก็จ้ า, อาพอเกาะลาวแล้วไงปลอดภัยแล้วมันเยอะมากหลากหลายถ้าเราอารมณ์ละเอียดจริงๆ ถ้าเราละเอียดเนี่ยเราจะรู้นะรู้ว่าอ๋อบางทีเดินไปเนี่ยสี่ห้าล้านก็อยากจะโชว์ออฟนะโอ้หลวงพ่อจิมนี่หน่อยหลวงพ่อเจอเป็นสี่ห้าล้านที่กูจะขี้นะ ค, ค, คือขี้ตั้งแต่โค้งนี่เลยนะโ อ, โ อ, โ อ, โอ้มึงลองเดวยวันแรกๆกันมาเจออะไรก็จิ้มชิมไปหมดเมื่วานล่อไอติมหลอดไปให้กู กูก็กัดอย่างแรงแต่แท้มันมีไม้อยู่ข้างในแล้วบึ๊กเข้าไปโอ้โหไอ้เหี้ยไม้นี่ว่าเออมันทําแค่น้ําแข็งใส่สีมีออน้ําหวานกูก็แดกไว้อน้ําตาลหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเจี๊ยบหรื่อนไปน้ําตาลสดหูตาลายหมดบาปความบาหวานขึ้นปะก็ไม่รู้มีทุกอย่างนะที่เนี้ยมีทุกอย่างแต่การอยู่ร่วมกันดีอยู่อย่างว่าไม่ทะเลาะกันเห็นไหม คนมีธรรมมาต่างวะละต่างกรรมต่างบ้านต่างความรู้นะใจชุดขาวทาเป็นเทนะ่กูเห็นกลางวันนี่นอนอย่างงี้เลยเนี่ยกูผ่านก็ดูแล้วโอ้โหกลางวันอี้นี่มันสวยตอนบ่ายทําไมไมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ย <laughs> มีปิดแปดกันาอีกเลยนะเออถ้าจะลมปานเดินนะผม เ, <laughs> เออ มันมีหลากหลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ ย, ย, ย, ยสวยๆทำเป็นหวีผมใส่แว่นกันหล่อๆสวยๆเนี่ยแป๊บเดียว น, ะนั้นแจะเข้าไปทางในเต้นนะก่อนนอนหลับนะยังมีมีมีอาหารเสริมเข้าไปอีกนะมีแคลเซียมนะบางทีก็มีลูกอมกัดกดัเห็นในะนั่นกัดกัดแบ่งโอ้อยให้กูนหน่อยเดียวเองว่างั้น โอ้โอมนานก็จะหลับเือเนี่ยเออดูคนมันอยู่ร่วมกันแต่ต้องรู้จักแบ่งปันนะเออมัน ก, ก, ก็ดีอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าโหการปฏิบัติบางทีเมื่อวานนี้หลวงพ่อการหลวงพ่อนกกระเทศว่านกสวดใช่ไหมโอ้โหสวดมันใกล้ไม่เ้วเสียงแกแกตัวใหญ่ว่า อิติปิโสใช่ยนี้โอ้โหมึงแค่มึงนั่งอยู่เรสยอยย้อนละวันนี้มาเจอพระเอกตัวเล็กอิติปิโสพักเขาวาอารหังสัมมาฟังเสียงแต่คนสวดไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าว่าที่สวดไปเนี่ยมันดังออดังแล้วคนทา้งในมันก็เหมือนของจะขึ้นเหมือนกันนะเหมือนกับ สมัยก่อนมีพระ อ, องค์หนึ่งชื่อหลวงตาโยมกส็สวดพุทธคุณธรรมคุณอิติปิโสร้อแปดใช่ไหเพออิติปิโสพอเข้าสว่าขาโตแกชักขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นชักต้องเอาไปโรงพยาบาลครับเราก็นึกว่าของขึ้นที่ไหนช็อกครับเพราะแกะเกง่งแกสวดแบบแกแกพยายามสวดสู้กัน รู้สึกตัวไอที่อยู่โรงพยาบาล น, นะครับหลวงต้โยมช็อกหามเข้าโรงพยาบาลเพราะนั้นโอ้โหการสวดนี่คือต้องรู้อารมณ์กำลังพูดเนี่ยคือหมายให้ปรับอารมณ์แต่ละอารมณ์แต่ละองค์ในเสียงมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันอย่างเสียงผมในเสียงเพ้ อ, อ ใครๆก็อยากฟังพูดอะไรก็ขำเลาะอารมณ์ลื่นชื่นบาน โ, โหนั่งเครียดขอพอกการกับหมายเลขอขออีกสิบนาทีนี้กูจะช็อกเลยเมื่อวานเลโอ้โหกูก็ขาไม่ดีนะที่แรกก็ขางอยสักพักจะขายาวไปแล้ว โอ้ยแต่แกก็เทศดีนะอไม่ด่านะอแต่และองค์เลยมาสองวันเจอพี่ส่งมาหางด้วนเลยส่วนเทสเทสไปบอกเอาแค่นี้แหละจะเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องมึงว่านะไเจริญพรยะถาสัพพีลออตังไปแล้วนะสบายนี่ฉลาดรู้มากนะ เออไอเหมือนลุงพี่อ้วนล่อหมากหยดเต็มหมดไอ้กายคือไอ้กายคือฮึ่มฮึ่มฮึไอ้กายคืออยู่เงี้ยเราก็เราก็นึกมึงตายไอ้อ้วนมึงตายแน่วันเนี้ยเลยโดยทั่เพราะเราไม่ได้ไปเทศไปอะไรเราก็นั่งฟังเฉพาะญาติโยมที่เข้ามาหากูกูก็ไอ้กายคือแย่แล้วขาเจ็บยังบอกลุงพ่อช่วยดูดวงให้หน่อยมึงบอกว่ามึงเห็นขากูไหมเนี่ย เออขอขำเลยสภาพกูเนี่ยยังไม่ได้ดูตัวเองเลยอยากให้กูดูดวงมันเ ม, นมันหลากหลายฮะอยู่ที่นี่มีความสุขมากเหมือนคนบ้านะฮะตกใจตัวเองเมื่อกานเดินขึ้นเดินลงก็ไม่ค่อยจะไหวอยาให้ดูดวงอยากเป็นอย่างกูไงเออบางคนบอกหลวงพ่อ ช่วยดูผัวนอยู่บ้านไหมเนี่ยอ้าวห <c oughs> ้วงงชีวิตนะเออเขาบอกว่าน่าจะอยู่มั้ง <c oughs> อ้าวทำไมมังม้งมั้งทำอีกเนี่ยมันจับผิดทุกอย่างนะเออเนี่ยคนเราบางทีมันเราต้องเข้าใจนะว่าเข้าใจแล้วมันมันจะรู้ทางรู้ทิศกันเหมือนกับ การฝึกปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจว่าเอ้ยเราเห็นแล้วว่ามันตึงเครียดหละเจ็ดแปดวันนี่ใช่ไมอมเราไม่เคยนั่งนานๆแต่ว่าท่านเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนนี่เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับขาใช่ไหมมันเกี่ยวว่ากูจะน็อกไม่น็อกอะไรเงรี้ยใชม่มันเลยลืมความปวดเมื่อยเออมันยังมีอุบายในะการพนันนะ เฮพระต้องมีอุบายนะเฮ้ยตึงไปวันนี้กินร้อนไปกินเย็นไปตรงนี้ให้แม่งลอกของบูดดีไหมอะไรเงี้ยเออมันมันมันต้องเข้าใจนะมันเข้าใจ <c oughs> ลูก <c oughs> จะพูดถึงพระก็จะเป็นบาปอีกนะ <c oughs> เออเอเ อ, เอมันมันก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องสนุกนะการมาใช้ชีวิต ร, ร่วมกันอย่างนี้เราก็ มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาสติคือความรู้ตัวนะปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารเพราะฉะนั้นอยู่ๆว่าเมื่อคืนนี่พ่อการก็ซ้อมกูถึงก็คานลุกเลยอะ่ะโอ้แล้วยุงมันกัดกูมากเลยเมื่อคืนมันเวทนาทุกมากแต่กูก็เลยลืมว่าพักการก็อยู่กลางนายุงเยอะไหมกลางนาอ่ อ, อโอ้โหเมื่อคืนนี่อยู่กลางป่าล่อกูเละเลยเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยอย พยายามดึงก็นึกว่าจะดึงสมาธิทนครับทนมากเลยขาก็ปวดยุงก็กัดบอกอีกสิบนาทีกูขึ้นสวรรค์ทันทีเลยโอ้เดี๋ยวบางทีอะไรที่มันมากไปตึงเกินไปมันก็พอลุกปุ๊บทุกทีคนจะไปหากูเต็มเลยนะสวัสดีครับพ่อเูบาบอกเออวันดีวันดีวันที่มาซ้ายตั้งนี้ทีนี้ทียกไม่รู้วัดที่อะไรไปเออ พอพักการลุกกวดน้ำเสร็จปุ๊บหายหมดเลยลูกค้ากูหนีหมดเลยก <c oughs> <c oughs> ูก็นะั่งกูยังนึกโหถ้ากูไปก่อนได้กูไปแล้วเ <c oughs> พราะว่ามันา น, นะมนานนะมันนานนี่ก็เป็นการสรับไยอกนะเพื่อให้ให้ลูกของเราเนยมีความรู้ว่าการ การบอกหรือการเทศการอะไรเนี่ยท่านนานเกินไปมันตึงหรือถ้ามันน้อยเกินไปก็มันก็ด้วนไปเอาพอดีพอดีดูหน้าตาว่าแช่มชื้นไหมดูหน้าตามันจะสู้ไหมมันหิวหรือ ย, ยังมันปวดต้องขี้ต้องเยี่ยวหรือ ย, ยัง <c oughs> ต้องสังเกตเขาเรียกวิเคราะห์ไงน่ะเห็นไหม <c oughs> กูไม่ต้องแหละมันสวดเองมันคงนึกว่า โถ่ไอ้ภาพพรุ่งนี้กูก็สวดได้มันเด็กนะนะเด็กมันก็พูดนะนะมันสวดของมันนะ่ะเห็นไหมเออเพรมันแน่นนะเออกูก็มีเคาะของกูนะเออเนี่ยก็นะพรุ่งนี้ถ้าเขาให้โอกาสก็จะมาเห่าๆสักหน่อยเข้าสู่ภาวะของสมาธิสักยี่สิบนาทีก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้ว บางคนนั่งเป็นชั่วโมงเลยนั่งโอ้โหเราก็มองโหไอ้นี่นั่งเก่งไว้ยันแม่งนั่งอึดไว้นั่งนานพอมันลุกไปได้บอกสัตว์กูจะเป็นลมอยู่แล้วยกูยังนึกโอ้ยเฮียกูถอนก่อนกูแสางกูชโชคดีมั้งังกูเป็นลมแน่นะเอ้อบางทีหลายรสหลายชาตกิก็เข้าใจพวกเรานะ ว่าวันที่เจ็ดแล้วพรุ่งนี้ก็แปดใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วแดกวันนี้มีกุ้งกับปูด้วยก็น่าจะสยบมารได้นะแต่ว่าต้องแกะนะถ้ากินกินขาไปติดคอกูไม่รับรู้บาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินเขาว่ากันกูก็ชิ่งชิ่งดูคนไหนแกะดีก็ไปเอี่ยวกับเขารู้มากก็ ก็ถวายความเคารพนะพระคุณเจ้าทุกลูกสิ่งหนึ่งประการใดได้พลาดพิงไปก็อย่าถือโทษโกรธผมเนาะบางทีเราก็ลืมไปว่าเราเคยเป็นหลุงพ่อว่าไงโยมบางทีเจอเข้าไปตกใจกว่าจะปรับตัวได้โฮโฮซื้ออะไรก็ไม่เป็นแดกแต่กูเตี้ยวเข้าเซเว่นจะซื้อน้ำขวดแม่งให้กูมาแพ็ค กินขวดก็ห้อยไปโอ้โหชีวิตภายนอกมันลําบากอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยว่าเราไม่เคยซื้อะไม่เคยหาไม่เคยเดินเข้าไปในร้านญี่ปุ่นโอ้ชื่อที่เ ฮ, ฮี้ยทั้งนั้นเลยใช่ไหมวีแต่พระก็พูดเล่นกันเคยแต่พูดเรื่องภาษาพระเออะฉะโมกว่ากันนะใช่ปะไว้แจ็คมนสอนกูนะเออะฉะโมกว่า e ภาษามันทั้งนอกมันโอ้ยยำรถถังกูไปร้านกะต้มสั่งเลยแม่งปูเค็มกูเก็บไว้รถถังอะไรไว้สั่งแม่งเลยก <c oughs> ูบอกว่ายำรถถังได้ยังครับกันเนี้ยอันว่ากูก็ในใจนึงว่ากูไม่ได้สั่งปูเค็มอะไร <c oughs> อ๋อยำลถถังกูก็อยู่แต่วัดไม่รู้เรื่องยี่ยอะไร โอโหโโหยำระเบิดโอ้โหกูเห็นรถถังมากูไม่กล้าสั่งยำระเบิดอะมันน่า ก, กลัวข้างนอกมันน่ากลัวนะเออโอข้ามตรงถนนนี่ไม่ดูซ้ายดูขวานี่ตายอา่าอาราดเลยนะโอไฟกรุงเทพก็หลงตลอดไปไปไหนก็นั่งกัย่องจ้องอยู่ไงเออโอมันรถไฟนอกนี่มัน แสนสนุกเนะแต่ทุกยั้งห่าเลยแต่ตอนนี้เริ่มเป็นแล้วเริ่มเริ่มเป็นสั่งกุเตี๋ยวผัดได้ไกินอาหารฝรั่งมีการเฉือนกระเด็นไปสองชิ้นนะมีภาโปะแต่แท้เขห้อยคอไอ้เหี้ยกูไปโปะ้างลาง <S <S โ<อ>ู้กอ็อายทำเขินใหญ่เลยกว่า ฝรั่งเขาดีแกว้ววาอยู่แกว้วเขาจิบจิบคุยแม่งไปสามชั่วโมงกูกระดก <c oughs> ไม่เป็นบ้านกูกระดกมะฝรั่งโอ้ว้าว <c oughs> ออแอบเดีอดหมดไปขวนถามเหียอะไรกูมึนไปหมดอะกูก็นั่งยิ้มอย่างเดียวยิ้มพอแงะมาฝรั่งกูก็ยักหน้นาอ่ะยิม้มฝรั่ง มันเจอกูนี่กลัวเลยฝรั่งแต่กูเห็นฝรั่งนี่กูกลัวเลยนะเพราะว่าเขาจิบใช่ไหมหอยกูไม่รู้กระดกแมงแล้วฟับแล้วไอ้ปล่อยแมงก็ถือตลอดเลยนะพอหมดปุ๊บฟับเอาอะไรไม้ก็เล่เนฟับ <laughs> ที่สุดแล้วฝรั่งแม่งแดกคนละแก้วกูล่อไปครึ่งขอนขวดนะกูก็จำตำรามาใจาแจ็คนี่แหละเออ เออไม่เรียนรู้นะเรียนรู้เขาพากูไปทานอาหารที่โรงแรมเล่าหน่อยว่ามันเพิ่งหกโมงหิวอย่างหิวกันอย่างโอ้โหดูดีนะ <laughs> คงจะล่อก่อนนั่งมาเยอะแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> <laughs> เห็นป่มมันมีสิ่งแรงจูงใจเหจูงใจก็คุยแล้วไม่เจ็บไม่เมื่อยเห็นไหมสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ตอนนั่ง บางคนถึงก็ลวงตูดคันถึงตูดบางคนขยับแข้งขยับขาผ่านคนข้างๆแม่งถีบแม่งเลยที่ไหนถ้าตัวเองจะไม่ไหวแล้วนะเออเออนั่นน่ะเห็นไมบิดข้างหน้ามันบิดยังไงก็ข้างหน้าเออเออนเออนี่ยนะคนเรามันก็อย่างเงี้ยสนุกดีโลกภัยนอกก็พากรไปนั่งทานอาหารโรงแรม คลาสสิกเลยแบบมันโอ้โหกูไปนั่งเลยคลาสสิกตรงไหนวะเนี่ยมองดูเรือไอ้เจ๊กมันอยู่บนเรือโอ้โหเต้นกันบนเรือกูนึกแม่งความตายแต่ว่าอย่างเงี้ยเอ้ <c oughs> มีเต้นท่ากับแปลกๆนะไอ้เจ๊กจีนใช่มนั่งเรือลากไปไเจ้าพญาบ้านกูเรือมอนลากข้าวมาก่อนโอ้กูกูลูกแม่น้ำ นั่งดูเรือลากกันไปลากกันมาเนี่ยเขาเรียกว่าโอโห้คลาสสิกมากนะแจ็คนะวัะนกูเ็รล่อหอยขมก็รล่อหอยแข่งโอ้โหแขะยากจิ๋วหายวันก็ดีดีไหมนะกวดน้ำดีกว่ามั้งหลวงพ่อนกถ้าจะหิวแล้วดีไหมพ่อครับครับกอบคุณครับวัน ด, ดีครับ